บทที่6วิชาวิมุติวิสุทธิสันตินิพพานประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตนี้เพื่อความเข้าใจครบถ้วนแนะนำให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรมแล้วเรียงตามลำดับบทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันนะครับพิเชษสลาหอมวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัต รมฟ้าโบสุวรรณสศินิพารส า, ารักพิมศิริสุวรรณพัฒ์ทิตาภาวรพันธ์ริษนาพโลปกกรวรพงศ์แก้วแสนเมืองเมธพันธ์เลิศการจนาพรวิรยาธนายากรสุพ์ทิวบุญเลี้ยงสุภาพรเทียงบุญประเสริฐพีชาคนิตอุทัยวัฒนาครอบครัวบุญทรงศรีสุดานันทสุขเกษมสุพมาศบุญประเสริฐ ไพฑูรย์วสันตขสิทธิ์รอบครัวงามสุริยพงศ์รวมกับอีกหลายท่านดูได้ในรายละเอียดทุกช่องทางที่เผยแพร่นะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเสมือนด้วยร่วมทําด้วยตนเองและขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอความเจริญในทางกุศลจงมีแด่ทุกท่านยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมะทานังจินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยะคุณจมรมผลดี สิงหาคมพุทธศักราช2565